Mm hmm. สองสามวันก่อนก็ได้พูดถึงความเข้าใจผิดของชาวพุทธจำนวนมากเกี่ยวกับเรื่องกรรมโดยเพราะความเข้าใจวา่าที่เราเป็นอยู่ทุกวันนี้จะสุขหรือทุกข์จะขึ้นหรือลงก็ตามนี่เป็นเพราะว่ากรรมในอดีตชาติาความคิดนี้มันเป็นมิจฉาทิฏฐนะิของลัทธินิคร เพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นหรือที่เราเป็นอยู่ในปัจจุบันมันมาจากหลายเหตุหลายปัจจัยด้วยกันก็ไม่ได้ปฏิเสธว่ากรรมในอดีตชาตินั้นมันไม่ส่งผลมาถึงปัจจุบันแต่ว่ามันอาจเกิดจากเหตุปัจจัยอื่นก็ได้เช่นกรรมที่ทำในปัจจุบันชาติอันี้สำคัญมาก ความยากจนความร่ำรวยความมีสุขภาพดีความเจ็บป่วยมันเกิดขึ้นเพราะกรรมในปัจจุบั น, นชาตินี้เป็นสำคัญก็ว่าได้หรือบางทีก็ไม่เกี่ยวกับกรรมเลยไม่ว่าอดีตหรือปัจจุบันเช่นเกิดจากติฟ้าอากาศแปรปรวนเกิดจากธาตุในร่างกายที่สมัยก่อนก็ใช้คาว่าดีก็ตามลมก็ตามเสมหะก็ตาม ยังมีอะไรเกิดขึ้นในปัจจุบันก็จะไปเหมาว่าเป็นพ่อกรรมในดิจชาตหมดในงั้นก็จะเข้าสู่ความเป็นวิชฉาทิฏฐิเรื่องของกรรมนี่มันเป็นเรื่องที่ซับซ้อนมากแม้ว่าจะมีความจริงอยู่ว่านะทํากรรมดีย่อมได้ดีทํากรรมชั่วยยอมได้ชั่วแต่ว่า ในรายละเอียดนี่มันซับซ้อนมากพระพเจ้าจัดว่าสิ่งที่เป็นอจินไตยข้อหนึ่งก็คือกรรมวิบากอาจินไตยหมายถึงเรื่องที่ไม่อาจคิดได้ด้วยเหตุผลหรือไม่อาจหาคําตอบได้ด้วยการคิดพอถ้าคิดไปแล้วก็จะปวดหัวเช่นที่สุดของโลกคืออะไรนะหรือว่าที่สุดของจั ก, กรวาลคืออะไร ก่อนมีโลค ก, ก่อนมีจักรวาลมันคืออะไรนะให้คนนี้คิดไปแล้วอาจจะบ้าได้ไ ง, ง่ายๆกรรมวิบากนี่ก็เป็นอันหนึ่งนะที่ไม่อาจหาคําตอบได้ด้วยการคิดกรรมวิบากหมายความว่าไงก็หมายความว่าผลที่เกิดจากกรรมอะไรที่ทําให้เป็นอยู่ทุกวันนี้มันตอบได้ยาก เพราะว่ากรรมที่คนเราทำทั้งในดีและปัจจุบันมันมีมากมายหลายอย่างมีทั้งกรรมดีมีทั้งกรรมชั่วมีทั้งกรรมที่ไม่ดีไม่ชั่วก็มีถึงแม้ ว, ว่ากรรมทุกอย่างที่ทำจะส่งผลไม่มากก็น้อย การดีก็ส่งผล ด, ดีการชั่วก็ส่งผลชั่วแต่บอกได้ยากว่ามันจะให้ผลเมื่อไหร่คือจ้าตัดว่ามิจฉาทิฐิประการนึงก็คือความเชื่อว่าคนที่ฆ่าสัตว์ทั้งหมดคนที่ลักขโมยทั้งหมดคนที่ผิดประเวณีทั้งหมดหรือว่าคนที่ลักขโมยทั้งหมดคนที่กินเหล้าเมายาทั้งหมด ตายไปแล้วจะไปนรกอันนี้เป็นมิจฉาทิฏฐิอันหนึ่งนะเพราะว่าคนที่ฆ่าสัตว์คนที่รักรัตว์ที่ตายแล้วขึ้นสวรรค์ก็มีฟังแล้วงงนะแต่ผู้จ้าก็ตัดไว้ว่ามันมีถ้าไปเมารวมหมดว่าผู้ที่ปิดศีลทั้งหมดตายไปแล้วลงนรกทันทีหรือไปอาบายทันทีนี้ อันนี้มิจฉาทิฐิล้วเป็นการมองแบบแบบไม่แยกแยะเพราะว่าคนที่ฆ่าสัตว์ตายแล้วขึ้นสวรรค์ก็มีในทางฆ่ามนมุษย์เพราะอะไรก็เพราะว่าก่อนตายมีสมัทิฏฐินะเกิดมีสมัทิฏฐิขึ้นมารู้ผิดชอบชั่วดีแนละ้วก็ได้ไปสวรรค์ หรือเพราะว่าได้เคยทําความดีไว้ก่อนหน้า น, นั้นคือก่อนที่จะฆ่าใครก็เคยทําความดีเอาไว้หรือว่าได้เคยทําความดีหลังจากนั้นคือเมื่อฆ่าไปแล้วก็ได้ทําความดีสร้างบุญสร้างกุศลมากก็ตายไปแล้วก็ได้สวรรค์แต่ไม่ได้แปลว่าที่ฆ่าเข้าไปแล้วนี่ไม่ส่งผลนะไห้กรรมชั่วที่เกิดจกากการไปฆ่าเขาก็ส่งผลแต่ว่ามันจะส่งผลอาจจะช้า กว่ากรรมดีที่เคยทำไว้ก่อนหรือกรรมดีที่ทำไว้ก่อนตายโดยเพราะไอ้ตอนจวนเจียนเนี่ยนะตอนจวนเจียนหมายถึงว่าตอนกใกล้ตายเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นกรรมดีเราอาศนักกรรมก่อนตายจิตเป็นกุศลก็แม้จะทำชั่วมาก็ไปดีได้นะ อย่างพ่อของพระโสณนะพระโสนะท่านเป็นพระอาหารหันต์บิดาของท่านเป็นเป็นพรานล่าสัตว์ก็ฆ่าสัตว์ไม่เยอะตอนจะตายนี่ก็เกิดนิมิตเห็นสัตว์เป็นหมาป่าจะมาไล่ล่าตัวเองก็เกิดความกลัวร้องโวยวายพยายามยกมือปัดเพื่อไม่ให้มันมาล่า มกัดพระสนาครูรณ์เนี่ยกรรมนิมิตของบิดานั้นไม่ดีถ้าไม่ใช่กรรมนี้เป็นถิ่นิมิตคือจะไปอบายแล้วเนี่ยที่มันเป็นสัญญาณบอกว่าจะไปอบายไปเป็นสัตว์เดรัจฉานพระสนานก็เลยน้อมจิตพูดชวนให้บิดานึกถึงพระรัตนตรัยก็น้อมใจตามจิตก็เป็นกุศล เป็นกุศลก็ก็เลยไปดีเลยก็ไปเกิดในสวรรค์ น, นี่ฆ่าสัตว์นะแต่ว่าไปเกิดในสวรรค์แต่ไม่ได้แปล ว, ว่าที่ฆ่าไว้แล้วไม่เกิดผลนะมันจะเกิดผลตามมนะาคือว่าพอกรรมดีหมดหมดแรงไอ้กรรมชั่วก็เข้ามาทํางานแทนก็จะฉุดลงไปอบายเหลือจะทาให้มาเกิดเป็นมนุษย์แต่ว่า มีร่างกายทุกปริภภาพก็ได้กรรมมันทำงานตอนไหนเวลาใดานี่ก็พูดยากเรารู้แต่ว่าอสัณกรรมเนี่ยสละคนทั่วไปล้วส่งผลกอ่อนบางคนทำกรรมดีมาอย่างนางมาริกาเป็นมฮเหสีของพระเจ้าประเสนทิโกสนก็เป็นอุบาสกที่ดีอชอบทาบุญให้ทานอุปถัมภ์พระสงฆ์ แต่ว่าก่อนตายเนี่ยไป น, นึกถึงความผิดบางอย่างคือการโกรหกพระเจ้าปเสนที่โกศลในเรื่องเกี่ยวกับกา ร, รทําบางอย่างที่น่าอับอายเกิดกา ร, รทําที่น่าอบอายก็โกหกกลบเกลื่อนพอจะตายก็นึกถึงความผิดอันนั้นก็เกิดจิตใจที่เศร้าหมองตาย ป, ปุ๊บก็ไปลงนรกเลย พระเจ้าประสิทธิโกศลมีความรักนางมาริกามากเมื่อนางตายไปก็ไปเฝ้ากราบทูลพระเจ้าวัานาเมริกาตอนนี้ไปอยู่ไหนแล้วพระเจ้าทรงตัดสะรุ้ความจริงแต่ไม่บอกเพราะว่าถ้าบอกแล้วกลัวทําให้พระเจ้าประสิทธิโกศล น, นี้เสื่อมศรัทธาไวา้ทำไมคนดีอย่างนางมาริกาถึงลงมาลกนะจะกลายเป็นมิจฉาทิฐิ เกิดมิจฉาทิฏฐิขึ้นมาก็เลยไม่บันดาลให้ไอ้พระเจ้าปเปสนิโกสนเนี่ยลืมคําถามที่จะถามพอถ้าถานแล้วผู้เจ้าก็ต้องตอบความจริงผู้เจ้านี่ไม่โกหกใครอยู่ล้วจะบอกความจริงยังไม่ได้ตอนนั้นเพราะว่ายังไม่ใช่เวลาพระเจ้าปเปสนิโกศลวันต่อมาก็มาถามอีกก็ปรกว่าลืมถามเป็นอย่างนี้อยู่เจ็ดวันพอเข้ามาที่เจ น, นีนาอเมริกานี่ เนื่องจากกรรมบาปที่ได้ตามเอาไว้มันมันหมดล้วก็เป็นเหตุให้ได้ไปสวรรค์เพราะว่าทำความดีไว้มากถึงตอนนั้นแหละพระเจ้าจึงไม่บรรดาลให้พระเจ้าเประเต น, นิโกสนหลงลืมคำถามพอพระเจ้าเประเต น, นิโกสนถามขึ้นมาพร ะ, ระองค์ก็ได้ตอบว่านางมาริกาบัตนนินได้ไปสู่สวรรค์แล้ว พระเจ้าผู้นือกวสนก็มีความยินดีอันนี้ก็เป็นตัวอย่างว่าให้ทําดีแล้วลงนรกก็มีทําชั่วแล้วขึ้นสวรรค์ก็มีแต่ไม่ใช่เพราะขึ้นสวรรค์เพราะการทําชั่วนั้นๆแล้วไม่ใช่ว่าลงนรกเพราะการทําดีนั้นๆแต่ว่ามันมีกรรมอย่างอื่นที่เกิดขึ้นก่อนและหลังที่มาส่งผลก่อน หรือว่ามันมีผลต่ออาสัณกรรมหรือกรรมก่อนตายหรือมโนกรรมเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะไปไปฟันธงว่าทำกรรมดีอย่างนี้แล้วจะต้องไปเป็นอย่างนั้นในอนาคตหรือว่าหลังตายนี่มันพูดไม่ได้อยามีสมัยพุทธกาลก็มีพระราชาเป็นเจ้านะ องหนึ่งเจ้าสารานานี้ก็เป็นคนขี้เมาหยำเปแล้วก็ไม่มีศีลไม่มีธรรมเลยก็ว่าด้แมันก็ผิดศีลนะนะแต่ก็ไม่ไทําความชั่วอะไรเลยมากแต่ว่าก่อนตายนี่พระเจ้าก็ได้ไปแสดงธรรมเมื่อสิ้ลมก็มีคนถามว่าเจ้าสารานีนีสไปไหนที่เจ้าก็ตัดว่าเป็นโสดาบันละ คนรบายนะก็คือปิดนรกปิดประตูระบายคนที่จะทานก็เกิดความคลางแคลงสงสัยว่าทำไมคนไม่มีศีลอย่างเจ้าสรา น, านันนี้ถึงไปดีเจ้าก็จัดว่าเพราะว่าก่อนตายเนี่ยเกิดสัมาทิฏฐิขึ้นมาแล้วก็มีความตั้งมั่นในศีลถึงพร้อมด้วยศีล เพราะฉะนั้นก็ส่งผลทำให้ได้ไปสุคติก็ที่จริงก็รู้ธรรมก่อนนะเนื่องจากรู้ธรรมก่อนที่จะจะหมดลมก็ปิดประตูบายได้เลยเรื่งกรรมนี่มันเป็นเรื่องที่ซับซ้อนไม่สามารถจะบอกได้ว่าทำอย่างนี้แล้วจะต้องไปเป็นอย่างนั้นทันทีหรือว่าโดยตรงเพราะกรรมมันมีหลายอย่างมีทั้งกรรมดีกรรมชั่ว การที่ส่งผลตรงไปตรงมาเรี่กว่าชนกกรรมหรือว่ากรรมสนับสนุนกรรมคัดค้านกรรมตัดรอนเรื่องอกับกรรมเป็นเรื่องซับซ้อนเนี่ยพรเจ้าถึงตัดว่าเนี่ยไอ้กรรมมวิบาเนี่เป็นเรื่องที่หาคำตอบ ด, ด้วยการคิดได้ยากเดี๋ยวนี้ก็มีการพยายามที่จะอธิบายว่าหรือให้คำตอบชัดเจนลงไปว่า ที่เจ็บป่วยเป็นมะเร็งลํำไส้เพราะว่าชาติที่แล้วนี่ไปวางยาพิษคนนั้นคนนี้เอาไว้นะเดี๋ยวนี้มีการให้คําตอบแบบนี้เยอะสื่อสามารถเทียย้อนไปบอกได้เจาะจงระบุโดยตรงหรือว่าเป็นเพราะชาตินั้นชาตินี้ได้ทําอะไรไว้แล้วก็มาจะโยงไปแต่เรื่องกันในอดีตไม่ได้โยงไปถึงว่าเออในปัจจุบันทําอะไรไว้บ้าง กินอาหารไม่สูกต้องไหมหรือว่าไปอยู่สิ่งแวดล้อมที่มันไม่เหมาะสมต่างรายต่อสุขภาพหรือเปล่าอย่างเช่นถ้าใครไปตั้งบ้านหรืออยู่เถวมากกับคุทธเนี่นะแปดสิบก้าสิบเอร์ซ็นต์ก็เป็นป่วยได้เลยนะเพราะมากับพุทธนี่สารพิษมันเยอะมากทั้งมาในรูปของควันทั้งมาในรูปของอ่าน้ําแล้วก็ที่ปะปนในอาหาร ไม่ไ้อพูดถึงอดีตชาตินล้นะมันปัจจุบันชาติมันเห็นชัดอยู่แล้วหรือคนที่ไม่ออกกำลังกายเนี่ยนะโอกาสที่เป็นโรคหัวใจก็ดีโรคมะเร็งก็ดีนะโรคเบาหวานก็ดีก็มีมากเลยเพอาะถ้ากินเยอะกินมากกินดีอยู่ดีไม่ต้องไปสาหาสถึงอดีตชาติหรอกในการกระทําในปัจจุบันนี่มันก็ส่งผลอยู่แล้ว นั่นเวลาใครผู้วันเนี่ยที่เป็นอย่างนี้ที่อยากจนหรือที่ผัวทิ้งหรือว่าที่เมียทิ้งหรืออกหักเป็นเพราะว่าชาตินั้นชานี้ได้ทําอย่างนั้นอย่างนี้ไปเนี่ยอันนี้ให้สงสัยไว้ก่อนว่าเป็นการดาวเอาเพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องที่ปุ้ตุชนนี่จะจะระบุจอดจงลงไปได้เพราะมันเป็นเรื่องกรรมวิบาก ที่ไม่อาจจะหาคาตอบได้้วยการคิดเอาที่จริงนอกจากกรรมเราจะพูดได้ยาวว่ากรรมใดให้ผลก่อนแล้วก็ยังตอบได้ย้ำก็ว่ากรรมใดจะให้ผลในลักษณะใดด้วยเพราะมันขึ้นอยู่เหตุปัจจัยหลายลอย่างเช่นกรรมอย่างเดียวกันทาให้บางคนนี่ไปอาบายเลยเมื่อสิ้นลม แต่กรรมเดียวกันทําให้บางคนไม่ได้ไปอบายอย่างมากก็เพียงแต่รับผลเสียในชาตินี้หรืาบางคนทํากรรมชั่วนิดเดียวลงนรกจะไม่จต่กรรมอย่างเดียวกันไม่ได้ทําให้คนที่คนหนึ่งนะไปลงนรกด้วยก็มีเหตุผลเหมือนกันเช่นคนที่ไม่เคยทําความดีเลย ไม่เคยฝึกอบรมกายไม่เคยฝึกอบรมสีไม่เคยฝึกอบรมเรื่องจิตไม่เคยฝึกอบรมเรื่องปัญญาก็ทําแต่ความชั่วเนี่ยแม้กรรมเพียงเล็กน้อยก็พาไปนรกได้แต่คนที่เขามีการอบรมสีอบรมอบรมกายอบรมสีอบรมจิตอบรมปัญญาดีกรรมอย่างเดียวกันก็ไม่ทําให้ไปอบาย อันนี้เป็นเรื่องของคุณภาพจิตของคนทําด้วยครูเจ้าก็เปลี่ยนมันก็ว่าเกลือเนี่ยนะเกลือถ้าเอาไปหย่อนลงในในแก้วน้ำมันนะมันก็เค็มอะน้ำํำปริมาณลเค็มแต่ถ้าเอาเกลือชนิดเดียวกันขนาดเดียวกันไปหย่อนลงในแม่น้ําเนี่ยมันเค็มไม่รู้สึกเค็มเลยเพราะว่าน้ำมันเยอะหรือไปหย่อนลงใน ในโอค์เนี่ยนะความเค็มมันก็น้อยมากแก้วก็ดีหรือว่าโอค์ก็ดีรั้วแม่น้ําก็ดีเปรี่ยบเหมือนกับสภาพจิตคุณภาพจิตของคนคนทําชั่วมากๆเนี่ยหรือว่าคนที่ไม่อบรมกายวาจาใจเลยเนี่ยจิตก็เหมือนกับแก้วน้ําคือมีน้ําแค่ไม่มากหย่อนเกลือไปเม็ดหนึ่งนี่ก็เค็มแล้วคนที่ก็มีการฝึกอบรมดีนะก็เหมือนกับ องหรือแม่น้ํากว้างขวางหย่อนเกือลงไปก็ไม่รู้สึกเค็มทำความชั่วไปก็ส่งผลน้อยก็อาจจะให้ผลในปัจจุบันไม่ใช่ไม่ให้ผลนะแต่ให้ผลในปัจจุบันไม่ให้ผลในอนาคตเป็นอบายอันนี้เป็นตัวอย่างเล็กๆน้อยๆว่ามันมีเงื่อนไขเยอะมากในการที่กรรม ใดกรรมหนึ่งกรรมชนิดใดชนิดหนึ่งเนี่ยจะส่งผลเมื่อไหร่และจะส่งผลในรูปใดเหตุปัจจัยไม่มีเยอะไปหมดจนกระทั่งผู้เจ้าจึงย้ําว่าให้กรรมอวิบากเนี่ยเป็นเรื่องอจินไตยแต่พวกเราก็ก็คอยมั่นใจถือว่ากรรมทําดีย่อมได้ดีทําชั่วก็ย่อมได้ชัว่วแต่ก็ต้องเข้าใจถูกว่าดีที่ว่าเนี่ยมันหมายถึงอะไร คูเจาตัดต่อไปว่าหว่านพืชเช่นไหนย่อมได้ผลเช่นนั้นเช่นเอาเมล็ดมะม่วงมาปลูกก็ย่อมได้เลยได้ต้นมะม่วงเป็นเป็นผลตอบแทนหรือเป็นผลลงเอ่ยปลูกมะม่วงก็ย่อมได้มะม่วงแต่ไม่ได้แปลว่าปลูกมะม่วงแล้วจะรวยเนี่ยคนละเรื่องนะปลูกมะม่วงย่อมได้มะม่วงแต่ปลูกมะม่วงแล้วจะรวยหรือไม่นั้นเป็นเรื่องของ เหตุปัจจัยอื่นเช่นราคาตลาดถ้ามะม่วงขายแพลนปลูกมะม่วงก็ได้ราคาดีก็อาจจะรวยแต่ถ้ามะม่วงล้นตลาดปลูกไปก็อาจจะไม่ได้กําไรด้ซ้ําหรือว่าถ้าปุย๋ยแพงก็ขาดทุนแต่ที่แ น, น่คือปลูกมะม่วงย่อมได้มะม่วงบาคนบางคนจะเข้าใจว่าทาดีทําไมไม่รวยทําไมทําบุญ สร้างกุศลมีศีลทำไมไม่รวยคนบางคนมันคอรับชั่นแต่มันรวยเมื่อรักษาศีล น, นะทำบุญทำความดีสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือจิตใจก็ดีกายก็ดีวาจาก็ดีแต่กายวาจาใจดีแล้วไม่ได้แปลว่าต้องรวย นะเพราะว่าความรวยเนี่ยมันขึ้นอยู่กับสังคมสังคมบางยุคก็ไม่ให้ค่าคนดีไปส่งเสริมคนเลวอันนั้นเป็นเรื่องเหตุปัจจัยด้านสังคมด้านค่านิยมเป็นเรื่องของมนุษย์โกถังการเป็นเรื่องธรรมชาติมันก็ปลูกต้นไม้ปลูกมะม่วงย่อมในมะม่วงปลูกกล้วยย้อมได้กล้วยส่วนรวยไม่รวยอีกเรื่องหนึง่งอ่ามีชื่อเสียงหรือไม่เป็นอีกเรื่องอันนั้นเป็นเรื่องของมนุษย์ เป็นเรื่องของสังคมซึ่งมันแปลเปลี่ยนไปได้แต่กฎธรรมชาตินี่มันไม่แปลเปลี่ยนปลูกมะม่วงย่อมได้มะม่วงชันใดทำดีย่อมได้ดีชันนั้นทำชั่วก็ได้ชั่วคือว่าจิตใจเศร้าหมองแล้วก็อาจต้องรับวิบากเป็นการกระทำในอนาคตแต่วิบากแค่ไหนก็เป็นเรื่องของคุณภาพจิตของคนคนนั้นอย่างที่พูดเมื่อกี้นี้ด้วยแล้วก็เป็นเรื่องของการรับเวลาด้วย ผู้เจตาตัดข้อหนึ่งว่ามิจฉาทิฏฐิประการหนึ่งก็คือความเข้าใจว่าคนที่ฆ่าสัตว์ทั้งหมดขโมยทั้งหมดผิดศีลประเวณีทั้งหมดโกหกทั้งหมดหรือว่ากินเหล้าทั้งหมดเนี่ยคือผิดศีลทั้งหมดเนี่ยจะต้องเสวยทุกขเวทนาในปัจจุบันชาติหรือว่าต้องเสวยทุกขเวทนาในเวลานี้อันนี้ก็ไม่จริงเป็นอย่างจะเราเห็นบางทีคนที่โกงแต่ทําไมรวย บางคนที่ทําชั่วเช่นไปฆ่าสัตว์ไปทําร้ายชีวิตคนแต่ว่าทําไมถึงอมั่งคัง่งก็เพราะพูะเจ้าตัดว่ายกตัวอย่างเช่นได้รับรางวัลจากพระราชาพระราชาสั่งให้ไปฆ่าไปทําศึกสงครามอันนี้มันบาปนะแต่ว่าชนะก็ได้รับได้รางวัลอันนี้มัเป็นเรื่องของสังคม แต่ไม่ไดแปล ว, ว่าที่ไปฆ่าใครนี่มันไม่ส่งผลนะมันส่งผลแต่ว่าอาจจะยังไม่ได้ส่งผลตอนนั้นอาจจะส่งผลได้ง่ายจิตใจก็คือทําให้จิตใจซ่อ้หมองหยาบกระด้างแต่ว่าในเรื่องความเป็นอยู่ก็ จ, จะไม่ตกต่ําเพราะว่าได้รับรางวัลจากพระราชาแต่อนาคตไม่แน่นะเพราะว่ากรรมนี่มันส่งผลอย่างแน่นอนแต่ไม่รู้เมื่อไหร่แล้วก็ในรูปใด นะเพราะเหตุปัจจัยมีเยอะไปหมดดังั้นผู้เจ้าตัดอย่างนี้มาเพื่ออย่าให้เราเนี่ยฟันธงมองอะไรแบบไม่แยกแยะผู้เจ้าสอนให้มองแบบแยกแยะเรียวิพัชชาวาสให้พิจารณาเหตุปัจจัยอย่างทั่วถึงแต่เรื่องกรรมนี่มันยากนะที่จะพิจารณาเหตุปัจจัยได้ทั่วถึงเพราะมันมีเยอะไปหมดเพราะนั้นอย่าคิดดีกว่าอย่าไปคิดวิเคราะห์ให้มัน วุ่วายพจะปวดหัวสิ่งที่มั่งคือก็คือว่าให้ทำความดีแม้อดีที่ผ่านมาเราจะทำอะไรไปเราก็ไม่รู้แต่ว่าปัจจุบันให้ทำความดีไม่ใช่แค่อให้ถารักษาศีลแต่ต้องภาวนาด้วยถ้าเราให้ถารักษาศีลแลภาวนานี่แหละนะมันจะทำให้เรามั่นใจได้ว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นดีก็ตามร้ายก็ตาม เราก็สามารถเปลี่ยนให้จากร้ายให้กลายเป็นดีได้หรือจากดีก็กลายเป็นดียิ่งขึ้นใครจะทำอะไรเราเราห้ามเขาไม่ได้แต่สิ่งที่เราทำได้คือว่าใจเราไม่ทุกข์เพราะสิ่งนั้นหรือว่าเราสามารถจะเอาการกระทำของเขาเนี่ยมาใชใ้เป็นประโยชน์ได้เช่นเขาว่าเราเขาใส่ร้ายเรานะอันนี้เราห้ามเขาไม่ได้แต่ว่าเรารักษาใจให้เป็นปกติไม่ทุกข์ หรือว่าเอาคำของเขามาใชใ้เป็นประโยชน์อย่างมีเศรษฐีคนหนึ่งอันนี้ก็เสียชีวิตไปแล้วเป็นผู้ก่อตั้งเมืองโบราณก็พูดได้ว่าวันไหนไม่ถูกตำหนิวันนั้นเป็นอประมคนคนสวยก็จะว่าถ้าวันไหนถูกตำหนิวันนั้นเป็นวันสวยแต่เศรษฐีคนนี้แกชลาแกก็มองว่าคำตำหนิ ก, ก็ดีมีประโยชน์เอามาใช้ให้ในการ ฝึกให้ไม่ประมาทหรือว่าฝึกให้ไม่หลงตัวลืมตนได้เพราะคนรวยมกักจะมีคนประจบประแจงเยอะจนนึกว่าตื่นเป็นเทวดาเป็นอัจฉริยะทุกเรื่องแต่ถ้ามีคนตําหนิกก็เออเตือนใจว่าเรายังเป็นกุุชนมีความผิดพลาดได้นี่เรารู้จักใช้คําตำหนิให้เป็นประโยชน์หรือว่าถูกเขาลังแกถูกเขาแก่นแกลงก็มาใช้เป็นประโยชน์ได้อย่างนางสาวมั่ววณีนี่ก็เป็นตัวอย่างหนึ่ง เป็นพระมเหสีพระเจ้าอุเทนเป็นคนดีมากแต่ว่าเป็นที่อฉาของนามาคันทียาซึ่งเป็นมเหสีคนหนึ่งของพระเจ้าอุเทนก็หาทางกลั่นแกร้งด้วยการหลอกให้ไปติดอยู่ในเรือนที่เก็บผ้าเป็นคลังผ้าพร้อมกับบริสัทธ์บริวารแล้วก็จุดไฟเผาตายแบบอนเอนจอนาดในสายตาคนทั่วไป ศพนี้ไม่สวยเลยเป็นดําเป็นตอตะโกแต่ผู้เจ้าตรัสว่าการตายของนานและบริษัทบริวารนี้เป็นการตายที่ไม่สูญเปล่าเป็นการตายที่งามเพราะว่าทุกคนได้บรรลุ ธ, ธรรมเป็นพระอริยเจ้าในชั้นสูงขึ้นไปเพราะว่าตอนที่ไฟลุกท่วมตัวน้ําสามสาวดีเนี่ยนอกจาก ให้อภัยนำมาคันธียาไม่มีจิตคิดเพียบาลกับนำมาคันธียาแล้วก็ยังเจริญกรรมาฐานด้วยน้อมใจน้อมไอ้ให้จิตมากำหนดกำหนดอารมณ์กาหนดเอ่อเอาทุกขเวทนามาเป็นอารมณ์ขณที่ไฟลุปทุนตัวเจ็บปวดเกิดทุกขเวทนาขึ้นก็พิจารณาทุกขเวทนานั้นคุยงคือว่ากายมันปวด กายมันร้อนแต่ใจไม่ร้อนด้วยใจสงบเห็นสังขารเป็นทุกอย่างยิ่งก็เกิดปัญญาขึ้นมาจิตก็ปล่อยวางความยึดติดในสังขารก็บรรลุธรรมขั้นสูงที่จริงนางสมอดีก็เป็นพระโสดาบันอยู่แล้วนะแต่ว่าจากเหตุการณ์แล้วก็ทำให้บรรลุธรรมขั้นสูงขึ้นก็เรียกว่าอาศัยเคราะห์ เปลี่ยนให้เป็นโชคคนฉลาดเนี่ยเจอเคราะห์ก็จะเปลี่ยนให้เป็นโชคคือถ้าไม่เจอเคราะห์นี้ก็อาจจะไม่บรรลุธรรมขั้นสูงก็ได้ออย่างบางท่านเนี่ยบรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันนะตั้งแต่วัยเจ็ดขวบแต่ว่าจนตายก็ยังเป็นพระโสดาบันอย่างนายวิสาขาเนี่ยเป็นพระโสดาบันเลยวัเจดขวบ จนนึถึงร้อยี่สิบก็ยังเป็นพระโสดาบัน mm hmm. แต่ว่านางสามอาวดีนี่ถ้าไม่เจอเหตุลายแบบนี้ก็อาจจะยังเป็นพระโสดาบันอยู่ก็ได้แต่พอเจอเหตุลายเนี่ย mm hmm. ก็เลยบีบังคับให้ต้องเอาธรรมะมาใช้เราก็เลยบรรลุธรรมขั้นสูงก็กลายเป็นว่าเคราะห์กลายเป็นโชค ใจที่คราะห์กลายเป็นชด้วยเพราะว่าเป็นปรกรมคือการกระทำของเราในปัจจุบันก็เคยมีคนถามพผู้เจ้าว่าทําไมนางสามวดีทําความดีมามากถึงต้องลงเอยแบบนี้ผู้เจ้าก็อธิบายว่านางสาววดีเมื่อหลายชาติก่อนๆโน้นเคยไปทําความผิดอย่างหนึ่งก็คือว่าไปทําร้ายพระประเจ้าพุทธเจ้า ด้วยความไม่ตั้งใจทีแรกคือไปอาบน้ำกับบริษัทบริวารแล้วก็ในสระนะนอกเมืองตอนนี้พอขึ้นมาก็หนาวหนาวก็เลยต้องจุดไฟเพื่อให้ความอบอุ่นก็เห็นมีมีหลองฟางอยู่ใกล้ๆก็เลยจุดพรวาว่าในหลองฟางมีพระประัจจุบุเจ้ากำลังเข้าชานสมาบัติ พอรู้ความจริงว่าเกิดอะไรขึ้นนางสาวมดีในชาติมรดก็กลัวผิดกลัวว่าจะมีหลักฐานก็เลยทําลายหลักฐานเสียเลเผาอีกทีเลยนะทีแรกเผาด้วยความไม่ตั้งใจแต่ครั้งที่สองนี่เผาด้วยความตั้งใจเพื่อทำลายหลักฐานไม่ให้ใครรู้ว่าไปทําลายพระปัจเจ้าพระเจ้าใจพระปฏิจ เ, จเจ้าไม่เป็นอะไรนะแต่ว่ากรรมที่นางสามดีทําไว้มันก็เลยส่งผลให้ต้องมาถูก ไฟไหม้ถูกเขาแกล้งจนไฟลุกทวมตัวกระทั่งตายอันนี้ก็เรียกว่าต้องมาเจอวิบากที่เคยทำไว้แต่เนื่องจากได้สร้างกรร ม, มาดีแล้วก็เป็นคนมีปัญญาเมื่อเจอวิบากก็สามารถเปลี่ยนวิบากนั้นให้กลายเป็นเป็นประโยชน์ได้คือพอไฟลุกทวมตัวแล้วก็เอามาใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติธรรมเลย ก็เลยใช้ที่จะตายด้วยความทุกข์ทรมานก็กลายเป็นว่าบรรลุธรรมขั้นสูงนี่เราใช้กรรมให้เป็นประโยชน์ใช้วิบากกรรมให้เป็นประโยชน์อาคนมางคลไปเข้าใจผู้ไว้เมื่อวันก่อนว่าเนี่ยเกิดมาเพื่อใช้กรรมคือหมายถึงว่าเกิดมาเพื่อชดใช้กรรมแต่ที่จริงเราสอสามารถสร้างกรรมใหม่ได้อย่างพนาสัยมาวดีเนี่ยที่ถูกไฟลุกท่วมตัว ก็เพราะว่าเป็นการชดใช้กรรมในอดีตแต่ว่าไม่ได้ชดใช้อย่างเดียวเอามาใช้เป็นประโยชน์ด้วยเอามาใช้เป็นประโยชน์นี่เรียกว่าสร้างกรรมใหม่เนยะสร้างกรรมใหม่เป็นกรรมที่ดีเป็นกรรมที่ฉลาดว่าเราจาวพูทธเนี่ยถ้าเข้าใจเรื่องกรรมดีเนี่ยจะไม่กลัวว่าที่ผ่านมาทําอะไรไ้บ้างเพราะเราตั้งตจจะทําทความดี ไม่ใช่แค่ทานสีแต่ภาวนาด้วยและถ้ามีภาวนาให้ดีเกิดปัญญามีสติแล้วอะไรที่เกิดขึ้นกับเราก็ล้วนดีทั้งนั้นเราสามารถใช้ให้เป็นดีได้เป็นหมดไม่ว่าคําตําหนิคําด่าว่าไม่ว่าความเจ็บความปว่วยไม่ว่าความสูญเสียพัดพรากถ้าไม่สูญเสพัดพรานนี้นางปตัตตาจลาก็ไม่ได้บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบัน ถ้าลูกไม่ตายนางกิสาโคตมีก็ไม่บรรลุธรรมนะพวกนี้เป็นของดีทั้งนั้นนะแต่มันาในรู้ของเคราะห์แต่ว่าถ้าใช้ให้เป็นก็กลายเป็นโชคไปเอาคนบางคนไม่เสียลูกไม่เสียสามีไม่เสียเลยเลยก็ยังเป็นปุ่ตชนทุมชื่ออยู่หรือจะทําบาตทํากรรมหนักขึ้นแต่นางปตัจลานี่เสียหมดเลยนะว่าทั้งลูกทั้งผัวทั้งพ่อทั้งแม่ทรัพย์สมบัติทั้งหลายภายในแค่วันสองวันเท่านั้นแหละ แต่ว่าเป็นกลายเป็นของดีเพราะส่งผลให้บรรลุธรรมอันนี้นเราคนฉลาดก็จะเปลี่ยนเคราะห์ให้เป็นโชคไอ้ที่สูญเสีย พ, พลาดนี่ก็อาจจะเป็นพรกรรมในดีก็ได้นะแต่ว่าพอฉลาดแล้วเนี่ยหรือว่ามีกะไรนั้นทีดีก็สามารถเปลี่ยนเคราะห์ให้กลายเป็นโชคได้ใการพัฒนาตนด้วยการสร้างกรรมดีทานศีลภาวนาเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญ เป็นวิธีการที่จะแก้กรรมได้อย่างแท้จริงนะจะไม่ใช่ไปแก้กรรมด้วยการไปสะดออกเคราะห์เดี๋ยวนี้ก็มีความเข้าใจซึ่งมันไม่ใช่วิธีการแบบชาวพูดหรือความที่แบบชาวพูดก็คือไปไปสะดออกเคราะห์นะเพื่อแก้กรรมไปทําอะไรต่ออะไรมากมายการแก้กรรมที่ดีสวยคือการฝึกฝนพัฒนาตนให้มีทานศีลภาวนาที่ดี เพื่อว่าพอเจอวิบากที่ไม่ดีแาวก็แก้ให้มันดีใช่หมเลยเปลี่ยนรให้กลายเป็นดีอย่างที่มีหลวงพ่อบางท่านกะบอกว่าเนี่ยคนดีนะก็ใครปาที่มาให้ก็กลายเป็นดอกไม้เปลี่ยนเปลี่ยนคล้อยให้กลายเป็นโชคเปลี่ยนความพัดพ้าสูญเสียให้กลายเป็นกำไรเปลี่ยนความเจ็บป่วยให้กลายเป็นปัญญาอันนี้เป็นวิสัยของคนดี คนดีที่มีการพัฒนาตนหรือพิบเลียบัณฑิต น, นั้นเราจะไปมัวแก้กรรมด้วยวิธีการที่เขาโฆษณาประชาสัมพันธ์กันวันนั้นมันผิดทางเท่านั้นต้องแก้กรรมด้วยการฝึกให้มีสติมีปัญญาไอ้กรรมที่เคยทำเอาไว้ก็อย่าทำแล้วก็สร้างกรรมดีมากขึ้นล้างกรรมก็ล้างไม่ได้นะ เพราะว่าทําไปแล้วเนี่ยมันย่อมส่งผลอยู่เสมอมันจะแก้กรรมล้างกรรมได้ก็ต่อเมื่อสมมุติว่าไปฆ่าใครแล้วเนี่ยทําให้เขาฟื้นขึ้ น, นมาถ้าทําให้เขาฟื้นขึ้นมาได้ก็แก้กรรมล้างกรรมได้แต่ถ้าทาให้เขาฟื้นขึ้นมาไม่ได้ก็ก็ต้องรับกรรมจะจะเมื่อไหร่หรือในรูปใดก็อีกเรื่องหนึ่งเด่แต่ว่าบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ก็อาจจะไม่ต้องรับกรรมก็ได้อย่างพระ องค์คุลีมานไะปฆ่าคนมานต้องเก้าร้อเก้าถึงเก้าศพแต่ว่าพอเป็นพระอาหารหันต์แล้วก็ไอ้กรรมที่ทําไว้มันตามไม่ทันละมันอาจจะไปรอยอยู่ชาติหน้านะแต่ว่าพระอ ง, องค์คุลีมานี้บรรลุธรรมชาตินี้แล้วก็ไม่มีเหตุต้องไปเกิดอีกเรียกว่าดับกรรมเลยนะดับกรรมไม่ใช่แก่กรรแก้กรรมแต่ดับกรรมไปเล ย, เลยการดับกรรมที่ที่สุดก็คือการ ทำกรรมใดก็ตามด้วยจิตที่ไม่มีโลภะโทสะโมหะนี่ผู้เจ้าตรัสไว้นะกรรมใดก็ตามเมื่อทําโดยจิตไม่มีโลภะโทสะโมหะนั่นเป็นนั่นเป็นวิธีสู่การดับกรรมสู่การไม่เกิดกรรมอีกใช่ยังมีกรรมก็ยังต้องไปเกิดไม่ว่ากรรมดีกรรมชั่วก็ตามแต่ถ้าดับกรรมไม่มีกรรมเกิดก็ไม่มีเหตุให้ต้องไปเกิดอีก อันนี้เราเป็นการสิ่งกรรมเป็นหนทางสู่ความสิ่งกรรมสู่การดับกรรมแ้่มันยิ่งเปรศกับการแก้กรรมซะอีกและยิ่งแก้กรรมอย่างที่ไปเข้าใจแล้เนี่ยมันยิ่งเพิ่มความหลงความประมาทการเป็นการสร้างกรรมใหม่ที่ทําให้หลงงมงายมากขึ้นไม่ใช่ทําให้สู่ชีวิตใหม่ได้เลยฉะนั้นก็เราเราเข้าใจเรื่องกรรมให้ถูกต้องไม่ว่า อในเรื่องของกรรมวิบากก็ดีความเข้าใจเกี่ยวกับกรรมในดีตชาติก็ดีรวมทั้งการรู้จักหันมาให้ความสำคัญกับการสร้างกรรมใหม่กรรมในปัจจุบันอันนี้แหลเป็นวิสัยของชาวพุทธผู้เจ้าสอนลูงกดแห่งกรรมเพื่อเรามีความมั่นใจแล้วหวังพึ่งพากรรมในปัจจุบัน อย่างที่ตัดว่าเนี่ยเรามีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยกรรมมาปฏิสารโนเรามีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยกรรมที่วันนี้กรรมในปัจจุบันนะซึ่งต้องใช้ความเพียรแล้วก็ใช้กรรมเพื่อส่งเส ร, ริมทําความดีไม่ใช่เพื่อเห็นแก่ตัวเพื่อปฏิเสธไม่ช่วยเหลือใครหรือไม่มีน้ําใจพระเจ้าสอนกรรมเพื่อให้กลัวกรรมชั่ว Way, เดี๋นี้ก็เข้าใจไปอย่างเดี๋ยวนี้เราพอกลัวเจ้ากรรมในเวรก็เลยไม่กล้าทําอะไรเลยอย่างที่อาจานนรย์นรเล่ากลัวเวรกรรมก็เลยไม่กล้าทําความดีแปลกนะถ้ากลัวเวรกรรมก็ต้องทําความดีหนีความชั่วแต่เดี๋ยวนี้กลัวเวรกรรมเลยไม่กล้าทําความดีเช่ไม่กล้าช่วยใครให้รอดตายเพรเดี๋ยวเจ้ากรรมในเวรของคนนั้นจะมาเล่นงานเรา หรือว่าไม่กล้าที่จะทำหน้าที่ก็คือชี้แจงความจริงให้ทราบถ้าทำด้วยเจตนาดีมั่นใจว่าที่ทำนั้นเป็นความดีก็ไม่ต้องกลัวเวรกรรมไม่ต้องกลัวเจ้า ก, กรรมในเวนรเจตีนี้กลัวเจ้า ก, กรรมในเวรจนไม่กล้าทาความดีอันมันแปลกถ้ากลัวเวรกรรมกลัวเจ้า ก, กรรมเวรต้องไม่ทำความชั่วมีความดีที่ไหนต้องรีบทา ใครเขากําลังจะตายเขาหน้าต้องช่วยเขาไม่ให้กลัวเพราะกลัวว่าเจ้ากรรมนายของเขาจะมาเล่น ง, งานเราถ้าเขารอดตายก็เลยไม่ช่วยเขาอันนี้มันบาปแล้วนะี่ยต้องเข้าใจเรื่องกฎแห่งกรรมไม่ถูกต้องเพื่อส่องเสริมการทําความดีและการฝึกฝนพัฒนาตน